สองสามวันก่อนได้ไปเจอข่าวชิ้นหนึ่งบอกว่าวัดไหนที่มีญาติโยมมาทําบุญเข้าวัดไม่ถึงห้าสิบคนนี่เจ้าว่านี่จะถูกสั่งปลดนะ <laughs> ก็เลยสนใจไปดูว่าเออข่าวเป็นยังไงนะก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นคําสั่งของมาเทียนสมาคมนะมันเป็นคําสั่งของเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีท่าน เป็นคำสั่งที่มีปยังวัดในสังกัดของท่านนะทั้งจังหวัดเลยเรื่องของเรื่องคือว่าทางจังหวัดมีโครงการหมู่บ้านศรีห้านะอันนี้เป็นเป็นนโยบายของมหาเถรสมาคมให้มีการรณรงค์ให้หมู่บ้านนะทั้งประเทศนี้เขาถือศีีห้ากันเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีท่านก็เลย อเรียกว่ามีบัญชานะให้วัดต่างๆในจตหของท่านเนยทําโครงการนี้แล้วก็ตัวชี้วัดก็คือว่าต้องมีคนเข้าวัดนะเป็นประจําประจํานี่คงจะทุกวันนะะไม่น้อยกว่าห้าสิบคนนะถ้าวัดไหนมีโยมเข้าวัดไม่ถึงนี่ก็จะถูกตักเตือนสามเดือนแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือว่า ยังมีคนเข้าวัดไม่ถึงห้าสิบก็จะสั่งปลดนะข้อหาให้ปฏิบัติตามนิยบายของมหาเถรสมาคมอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจยัยกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่ชาวบ้านถือศีลห้าการที่ชาวบ้านเข้าวัดห้าสิบคนนี่มันก็มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะชาวบ้านนี่ไม่เข้าวัดแต่ว่าถือศีลห้ากันอย่างเข้มแข็งก็ได้นะ อันนี้เข้าวัดห้าสิบคนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเพื่อสมาทานศีลก็ได้นะอาจจะมาเพื่อเหตุอื่นอันนี้ก็เพราะนั้นเนี่ยจะมาวัดว่าถ้าชาวบ้านญาติโยมเข้าวัดไม่ถึงห้าสิบคนก็แสดงว่าเจ้า ว, วดาดทํางานล้มเหลวในเรื่องการรณรงศีลห้านี่มันก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยการชักชวนคนเข้าวัดเนี่ย มากมากนี่มันก็ไม่ได้แปลว่าดีนะเพราะว่าบางวันเนี่ยก็ชักชวนคนเข้าวัดด้วยการขายวัตถุมงคล น, นะหรือไม่ก็เปิดให้มีการอเอาดนตรีเอารำวงเอาจัมบานี่มามาที่วัดนะมีข่าวอยู่บ่อยๆนะเวลามีงานวัดเนี่ยก็มีพวก รำวงหรือว่านุ่งน้อยห่มน้อยดนตรีบ้างจำบะบ้างเข้ามาถามว่าแบบนี้คนเข้าวัดเยอะไหมก็เยอะนะแต่วัดได้ประโยชน์ไหมมันคนสนใจธรรมะไหมบางแห่งบางที่ก็เอารุ่มารวยนะปล่อยให้คนมาเล่นเล่นไพยในวัดกินเหล้าในวัดนะคนก็เข้าวัดเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยส่งเสริมศีลห้าเลย หรือว่าพยายามดึงคนเข้าวัดด้วยการขายวัตถุมงคลหรือว่าเจ้าว่านเนี่ยก็อบอกใบให้หวยนะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อญาติโยมเท่าไหร่นะไม่ได้ส่งเสริมธรรมเท่าไหรนะ่ดังนั้นพลําพังเพียงแค่ว่าการดึงคนเข้าวัดเนี่ยให้ได้ห้าสิบคนนีนะ่ที่จริงมันก็ไม่ได้ยากนะเพราะมันมีหลายวิธีที่จะ ดึงคนเข้าวัดได้ด้วยการสนองกิเลสตอบสนองปลนเปลืกิเลสของคนนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทําให้คนเนี่ยมีธรรมะบางทีพระจะร้อยคนเข้าวัดอย่างเดียวก็ไม่พอนะแม้ว่าตั้งใจดีอยากจะเผยแผ่ธรรมบางทีก็ต้องออกไปบ้างนะออกไปสอนญาติโยมบ้างเพราเดี๋ยวนี้คนไม่เข้าวัดก็หลายสาเหตุนะเรื่องการทรมาหากินก็อย่างหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวนี้ก็ต้องทำมาหากินกันโดยเพราะวัดในเมืองนี่จะลำบากมากเพราะว่าคนต้องทำมาหากินแม้แต่จะใส่บาตรพระนี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเวลาทำอาหารถวายพระแล้วนะต้องซื้อเอาที่จริงคนในหมู่บ้านก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำอาหารกินกันเองแล้วนะซื้อเอานะซื้อจากรถ แม้แต่ภูหลวงซึ่งอยู่ไกลนี่ก็ทุกวันนี้ก็จะมีรถขายอาหารเนี่ยเข้ามาเนี่ยวันละคันสองคั น, นคนก็ซื้ออาหารเนี่ยอาหารสำเร็จรูปนะหรือว่าซื้อพวกเครื่องพวกปลาพวกหมูนะเอามาปรุงเองก็ยังดีนะแต่ว่าที่ซื้ออาหารสำเร็จรูปก็กเยอะนั่นจะรอให้คนเข้าวัดอย่างเดียวก็ไม่ได้ สมัยก่อนนี่ว่าเป็นเป็นทุกอย่างนะของชุมชนนะความบันเทิงก็มีที่วัดนะคนก็ม า, าดูริเก็ตดูสนุกษนานเลื่อนเรืองกันที่วัดนะป่วยป่วยก็มาที่วัดนะความรู้ก็สอนหนังสือกันที่วัดนะจะมารู้จักคนมาเจอแฟนก็เจอกันที่วัดนะอย่างพรายงามพลายแก้วกับนางวันทองอภิมพิลาไหลเนี่ยนะก็มาเจอกันที่วัด เพราะว่าสมัยก่อนในว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนเนี่ยพระไม่ต้องทําอะไรนั่งอยู่ที่ศาลาเดี๋ยวก็มีโยมมาหาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โยมก็ไม่ค่อยเข้าวัดเพราะว่าอะไรอะไรต่ออะไรมันอยู่นอกวัดนะความบันเทิงก็อยู่นอกวัดนะมีโทรทัศน์นะมีวิทยุมีอินเทอร์นเน็ตนะแม้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่ในบ้านนี่ก็สามารถจะเสพหาความบันเทิงได้เพราะว่ามัน เจ็ทางโทรศัพท์อยู่บนรถอยู่ในไ ใ, ในนาก็ฟังวิทยุเจ็บนะป่วยก็ไปหาหมอนะที่โรงพยาบาลไปคลินิกอยากจะมีความรู้ก็เข้าโรงเรียนนะแค่เรียกว่าบริการสังคมเนะี่ยมันออกนอกวัดนะจนแทบจะไม่เหลือแล้วยกเว้นงานศพนะหรือว่าการทำบุญตามประเพณี ที่จริงวัดนี่ก็ยังทำอะไรได้หลายอย่างนะเช่นการนะสอนธรรมะการสอนกรรมฐานนะแต่ว่ามันก็ต้องปรับให้เข้ากับญาติโยมหรือเข้ากับจังหวะชีวิตนะวัดเรายังดีนะเพราะว่าการที่มีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาตินะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีคณะสงฆ์มีหมู่มิตรนะก็ชวนให้คนเนี่ยอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะทั้งใกล้ทั้งไกลนะ แต่ ว, วัดอื่นบางทีก็ไกลนะญาติโยมมาปฏิบัติลำบากอย่างผู้หลงเนี่ยอยู่ไกลไกลบ้านไกลหมู่บ้านนะวันๆก็ไม่ค่อยมีโยมมาที่วัดนะวัดเนี่ยบางทีพระก็ต้องไปหายโยมนะไปหายโยมไปไปแสดงธรรมหรือว่าไปทำกิจกรรมเพื่ อ, อชวนโยมเข้ามาทำงานที่วัดหรือว่าไปเผยแผ่ธรรม อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่วัดเนี่ยต้องปรับตัวนะแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าหากวัดปรับตัวดีนะญาติโยมก็จะค่อยๆมาวัดมากขึ้นเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีกินมีใช้หรือว่าถึงแม้ว่าต้องยืงกับการทามาหากินนะแต่ว่าจิตใจก็ยังยังอยากจะทำบุญทำกุศลอยู่ อนต่าไปยุโรปหรือไปอิสาราเอลเนี่ยนะคนเห็นพระนี่เขาก็ดีใจนะเพราะว่าถือโอกาสจะได้ทำบุญเจอพระแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันชุ่มชื่นนะแล้วก็มีความปลื้มปิตินั้นคนไทยไปที่ไหนเนี่ยนะถ้าหากว่ามีวัดนะได้เขาก็สร้างวัดนะที่เบอร์ลินเนี่ยเมืองเดียวนะในเยอรมันเนี่ยมีวัดถึงตั้งห้าวัดนะ วัดไทยนะเฉพาะวัดไทยนี่หวัดในเมืองแฟรงเฟิร์ดนี่เขาว่ามีเป็นสิวัดเลยทั้งเยอรมันเนี่ยก็มีพระประมาณมีวัดประมาณ50สิวัดนะส่วนใหญ่ก็เป็นวัดสาขาวัดสาขาของวัดที่มีอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วนะหลายวัดในกรุงเทพก็ไปเปิดสาขานะก็คือส่งพระในวัดของตัวนี้ไปนะไป ไปเป็นเจ้าวาดในวัดต่างๆในยุโรปนะให้คนไทยเนี่ยนะชอบวาไปแล้วนี่ก็ก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็นึกถึงาศาสนานะแล้วก็อยากเห็นพระอยากทำบุญทนะ้าพระเนี่ยมีความเป้นตัวเรียบร้อยแล้วก็สอนทำให้กับญาติโยมนะญาติโยมก็มานะอาจจะไม่มากถึงห้าสิบคนนะแต่ว่าก็จะมากันเรื่อยๆมาทุกวัน นะโดยพ่อคนที่เป็นแม่บ้านในเยอรมันนี่คนที่เป็นผู้หญิงไทยที่ไปแต่งงานคนเยอรมันนี่เยอะมากนะส อ, สองหมื่นคนได้นะแล้วคนเหล่านี้เขาก็พอมีเวลาว่างพอลูกโตแล้วก็มีเวลาว่างก็มาวัดมาวัดก็มาทาบุญบางทีก็จัดเวรกันมานะจัดเวรกันมาทำอาหารถวายพระเช้าบ้างเพนบาง ส่วนใหญ่วัดไทยในในยุโรปหรือที่ไหนนี่ก็ไม่ค่อยบินธบาทนะก็อาศัยญาติโยมนี่แหละแต่บางเมืองนี่โดยเพราะในอเมริกานี่ถ้าถ้าอยู่ไกลไกลเมืองนี่ลําบากนะพระบางทีก็ต้องทําอาหารเองก็มีนะยังเคยไปที่เซนต์หลุยส์นะกับหลวงพ่อคําเขียนพระนี่ก็ต้องอาหารเช้านี่ต้องทําเองนะมันก็ไม่สะดวกนะ แต่ที่จริงถ้าญาติโยมนะจัดสรรกันดีๆนะแล้วก็มีการามีกิจกรรมที่วัดกันสม่ำเสมอเขาก็จะมากันนะจะผัดเปลี่ยนกันมาเช่นตอนเช้ามากันสองคนนะตอนบ่ายตอนเพลนมาอีกสามเนี่ยก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามาแล้วก็ถ้าพระทาตัวเรียบร้อยประพฤติตัวดีมีธรรมะมีความ สงบเย็นในจิตใจนะญาติโยมก็มาแล้วก็มีความสุขนะก็อยากจะมาเพราะถือว่าทำมาแล้วก็ได้บุญนะถวายอาหารพระแล้วก็ได้ฟังธรรมนะเพียงแค่ได้สนทนากันได้ปรึกษาความความกลุ้มอกกุ้มใจความห่วงกังวลต่างๆนี่เขาก็สึกสบายแล้วเพราะบางทีพระก็ทำหน้าที่นี้แหละนะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาการทามาหากิน นะอันนี้แเราก็เป็นโอกาสที่จะสอดใส่ธรรมะเข้าไปได้อ่าแล้วก็อ่านะพูดกันเท่านี้เตรียมรับพอ